ญาติโยมก็จับคำใคร่ใจใจแล้วฟังมันไม่ค่อยได้ยินเรียงหลบ ก, ก็ไม่ค่อยดังพูดตังไปวันนี้เป็นเป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันน <4. S 1> ีวันที่สี่นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่แล้วก็เดือน เหนื่อยพุทธพาแล้วนะหเห็นนี้ก็เป็นเวลา17 0มงกับ น, นี่หลวงพ่อบ่ายโมง13 0 0งนะ13กับ8นาทีแล้วหลวงพ่อเจอกัน อ, อีก3คันอื่นจะเป็นอย่างี้การฟังธรรมะวันนี้ก็ เป็นการแสดงธรรมโดยที่มีคนถามถามคุณประสบการณ์ของหลวงพ่อที่ทำนี้ทําให้ทราบหลักพุทธศาสนาได้อย่างไรครับก็แต่กนหลวงพ่อบอกไม่ค่อยรู้หลวงพ่อมาศึกษาตัวเองเพียงจะรู้ว่าหลักพุทธศาสนานั้นมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือคือตัวคนนั้นเองตัวศาสนาน ศาสนาขว่าที่พึ่งคําหนึ่งศาสนาแปลว่าที่พึ่งคำหนึ่งศาสนาแปล ว, ว่าคำสอนของท่านครููคําหนึ่งเออผมมีความเห็นว่า น, นะฮะว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ไม่หลุดไม่หลุดพ้ น, นเลยถ้าหาก ไม่เข้าใจศาสนาก็จะไม่หลุดพ้นจนนริงๆคาว่าหลุดพ้นเนี่ยคนไปนเข้าใจควมหมายมันลึกล้ำเกินไปคําว่าหลุดพ้นได้หมายถึงจะหลุดไปที่ไห น, นเพราะเราต้องหลุดพ้นจากพวมเป็นศัตริย์มรสารคำว่าได้พวมเป็นปุถุชนคำว่าได้ถ้าหากเรายังเป็นปุถุชนอยู่ข่าวใดก็เรียกว่าเรายัง เป็นจัตเิยลาสานอยู่เพราะคุรุชนแปลผู้ผนาไม่มีผมละอายสำหรักคุรคนเพราะสัตเดรลาสานประคายคือกันจัตเดยลาสานไม่มีอายถ้าหากไม่หลุดค้นจากสิ่งเหล่านี้ก็น้าตาแคนขามือเท้าเป็นคนแต่ไม่หลุดค้นจากสิ่งเหล่านี้การศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นท่านให้ศึกษาเอาคนอยู่ใต้ แล้วเราจะนำหลักปฏิบัตินั้นม า, มาใช้ในการให้ตามจุดมุ่งหมายของศาสน า, า, า, าได้อยางไร่าผู้ศึกษาตัวเองศึกษาลงไปที่จิตใจของคนทุกคนมันมีจิตใจในวากายกับใจหรือว่าลูกกับน้ำไม่ได้กายกับใจธรรมดาคนขึ้นบ้านในวากายใจภาษาธรรมะในวรลูก เมื่อเราศึกษาที่ตรงนี้เราก็เลยรู้จักเพราะธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทุกคนศึกษาอับธรรมชาติของมันและจะไปสร้างปรากฏการณ์ปิดสิ่งเหล่านั้นให้ธรรมชาติได้ทําหน้าที่ของมันเผยตัวมันเองขึ้นมาสำเองถ้าศึกษาได้ีๆๆค ง, งจะเข้าใจนะ นี่หลักพุทธศาสนานี่คือทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาคำว่าพุทธศาสนาน่คือตัวสติตัวปัญญาของทุกคนแต่ไม่ได้พูดเรื่องสมาธินะคาว่าสมาธินี่มันเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่านานาจิตตังวามเห็นไม่เหมือนกันบางคนต้องไปนั่งทำสมาธิหลวงพ่อก็เคยทำมาอันนี้ พูดเรื่องตัวเองที่ไปนั่งทําสมาธินั้นนะเพราะเราไม่รู้เราจึงทํานะครับพอรู้รู้เพราะเราทําสมาธิรู้แต่รู้อย่างไม่รู้แต่มันรู้ทําแต่มันไม่รู้ว่าความถูกต้องมันไม่รู้แต่เราเห็นว่าทําอย่างนี้มันถูต้องแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านทํามาหมดแล้วเสียคำว่าสมาธินี่ตามตัวหนังสือเขาก็บอกว่า สมาธิต้องตั้งใจมัน่นไม่ใช้ไปทําสิ่งที่นอกเหนือจากการตั้งใจมัน่นคําว่าตั้งใจมั่นแล้วเราจะทําการทํางานพุดคิ ด, คดต้องรู้สิจตัวถ้าหากไม่รู้สิจตัวแล้วเป็นหน้าละอายมากที่สุดยังไงคนได้ทาการทํางานพุดคิ ด, คดไม่รู้สิจตัวแล้วก็คล้ายๆคือว่าภูเขาสูงนี่ใช่ไหม พ่หน้าละอายมากไม่รู้ตัวในการทำการพูดการคิดพราะเป็นคนลืมตัวลืมทิวิีใจิตใจตัวเองมันชอบทำผิดพูดผิดคิดผิ ด, ด, ดไม่มีความละอายร้ายไปบนนั้นไม่มีเลยใช่ไนี่นักศากาโบราณหรือครูบาอาจารย์ก็เคยสอนอย่างนี้มาดังนั้นมาที่นี่ก็ต้องแนะนำวิธีปฏิบัติให้เข้าใจาวาสวดธมะที่ใค คำว่าสมาธิที่มันมีทุกคนแล้วไม่ต้องไปนั่งที่ไหนอะไรกันอีกแล้ว<ม>เพราะทาการทำงานพูดคิดเรารู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวนั่นแหละเป็นตัวสมาธิถ้าหากไม่รู้สึกตัวในขณะไหนเวลาใดแล้วแปลว่าเราไม่มีสมาธิแล้วสมาธิคือความตั้งใจทำการทางานไม่ผลาดผิดอย่างท่านว่า ทำการทำน้ำผผิดเน้ยจะไปทาการทานางธุระหน้าที่อะไรก็ตามจะไปศึกษาเล่าเรียนหนังสือข้อามคุณเรียนหนังสือจบตำไหนจบมหาวิทยาลัยครับรัมหาวิทยาลัยั้นไหนปรตรีครับตรีทางานเป็นรับราชการรัราชการกําเน่ครัหก เนี่ย <agreements. S 2> คนมันไม่เหมือนกันนะครนรู้ไม่เหมือนกันแต่ว่าสติปัญญาของคนไม่เหมือนกันแล้วรูปร่างหน้าตาแขนขามือเท้าคลายคลายเหกันแต่สติปัญญา <face> ไม่เหมือนกันบางคนสติปัญญาพูดให้ฟังแล้วเข้าใจบางคนสติปัญญาพูดแล้วไม่เข้าใจนี่เป็นยังไงดังนั้นเหล่าทุกคนมาที่นี่มีสติปัญญาเหมือนกันทุกคนแต่ว่า ไม่เหมือนกันดังนั้นคนนี่จึงไม่เหมือนกันบางคนชอบทำการทำงานโดยที่ทางผิดๆให น, น, น, นบางคนชอบทำการทำงานโดยที่ให้มันถูกตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อพูดตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วทุกคนอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องศาสนาพุทธตัวอาจาราเองพูดเรื่องตัวเอง เคยรููจั๋ววัดเป็นศาสนาเียเข้าใจยังไงพรสงฆ์องค์เนเป็นตัวศาสนาเข้าใจยพระุทธรูปเนี่เป็นตัวศาสนาอุติเิี่ยหารโบสถาราการปเรียนเป็นศาสนาเข้าใจเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ทำบุญงมา ก, มา ก, มากตายแล้วต้องไปสุดมรงสวรรค์ไม่รู้เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องตัวเองมาพูดเนี่ย อันนี้แสดงว่ารู้แต่ไม่รู้รู้อย่างผู้ไม่รู้รู้อย่างคนไม่รู้อ่ารู้อย่างผู้รู้เป็นอย่างไรรู้อย่างที่รู้เป็นอย่างไรรู้อย่างผู้รู้รู้ตัวเองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอันนั้นเป็นศาสนาสมมูิรู้จักกันตัวศาสนาจริงๆนั่นอยู่ที่ไหนคือตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนา ศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านพุทตอนนี้ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนานะใครรนะู้เร up. ื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนคนรู้เรื่องไหว้พระของนำเรื่องไหว้พระมาสอนคนเรื่องอะรู้เรื่องรักษาศีลก็นําเอาเรื่องรักษาศีลมาสอนคนรู้เรื่องให้ทานก็นําเอาเรื่องให้ทานมาสอนว่าเจอคนรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเนี่ย ศาสนาเปลี่ยแปลว่าคำาสอนของทารผูรู้นี่ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ไ ง, ง่ายง่าอย่างที่เจ้าทายศิทธะภุมมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องการบวชนะไปศึกษากับอาลาดาบทพุทธกะดาวบทสองอาจารย์นี้จนได้สมบัติเป็ดสมบัติเจ็บไม่พูดอันนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นพุทธศาสนา ตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเข้าใจว่าอันนั้นเป็นพุท ธ, ธ, าธาศาสนาเข้าใจเลยอันนี้แหละรู้อย่างผู้ไม่รู้รู้อย่างผู้รู้คืออันนั้นไม่ใช่เป็นพุท ธ, ธาศาสนารู้อย่างผู้รู้เองอันนั้นไม่ใชธธ่เมื่อทำสมาบัดแตกได้แล้วก่อนี้ไม่ได้ทางคนฟุ้งพระองค์ค น, นหนึ่งนี้มาก็มาทําทุกขกะกิริยาเช่นมาอดข้าว ไม่กินข้าวอุดน้ำไม่กินน้ำคั้นลมหายใจเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วกลัวิญญาณแลือกลัวตัดร้ายกลัวอะไรจะเข้ารู้จมูกแล้วตัดร้ายเหล่านั้นจะมาด้วย ก, กระแสลมอะเนี่ยใคจะเข้ามาในรูจมูกจะนํานเชื้อโรคอะไรตา่างๆหรือบางทีจะเป็นเช็คร้ายว่าฆ่าตัดร้ายไม่เป็นอันนั้นก็ไม่ใด้เป็นพระพุทธเจ้า อันนี้พระองค์เคยสอนเอาไว้ว่าทางไม่ใช่ทางแกมันเป็นทางปฏิบัติทางที่ดีที่งามแต่ไม่ใช่ทางคนทุกขเท่า น, นั้นอันนี้ก็พูดให้ฟังเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเราเข้าใจว่าตายแล้วต้องไปเกิดเมื่อวันตายแล้วต้องล่องลอยไปเกิดนรกตายแล้วต้องไปเข้าท้องคนนั้นคนนี้ไปเกิดเป็นคนใหม่ขึ้นมาคุณเกิดกี่ครั้งเน ไม่ทาบคุณครม่ทอาน่าจะไปจําได้ก็คิดนะคุณเ ป, ไป็นกิจกรรมอันนี้แหละมันเข้าใจวิญญาณเจวารู้กันพระองค์ท่านบอกวิญญาณเจวารู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วล่องรอยไปอย่างนั้นยานี้อันนั้นมันมีมาก่อนสอนกันมาแล้วเลยเรื่องสวรรค์นิพพานก็สอนกันมาแล้วแต่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเอง แต่ดีแล้วที่เราเข้าใจนั้นไม่ใช่แบบไม่ดีมันดีแล้ววันนี้จึงนําเรื่องเป็นประวัติมาเราสู่ฟังนี่วถ้าใครอยากรู้ก็ไปเรียนออกในประวัติศาสตร์ที่จะนํามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็วิญญาณนี่แหละ ว, วิญญาณเป็นวันรู้วิญญาณนี่อดีตอนาคตท่านก็ไม่เอาอาดีตที่ผ่านมาแล้วทําอะไรช่วยเราไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงจะทําอะไรช่วยเราไม่ได้ ท่านสอนให้ทุกคนรู้ปัจจุบันในขณะที่กำลังทำกาลังพูดกำลังคิดให้เห็นจิตใจตัวเองไม่ได้เห็นแต่รูปอันนี้เส็จเลยอันนี้รูปอันนี้เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกคิดนั่นนะ่ะมันไม่มีตนไม่มีตัวท่านจึงสอนย้ำเข้ามาทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญ นี่โลดทำให้แก่อันนี้ก็ตาลาทานกับพวกไว้อย่างนั้นคาว่ามักต้องกำหนดรู้เนี่ยเราก็ต้องไปที่ารณาในอสุภเกสาโลมานัาอสุภเข้าใจหรือไปนั่งกรรมฐ า, านพิจรารณาตับส่ไส้ปลอดอมําและเนื้อกายของเราเนี่ยเข้าใจยังอันนั้นก็ดีนะอันนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอ่ะมันมีมาก่อนแล้วนะ แต่เราก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจแต่พระองค์ท่านสอนให้เรารู้แล้วหลับตาลงไปมองเห็นสีสแสงถีเทวดานรกสวรรค์อันนั้นก็ยังไม่รู้เนี่ยมีคำคำหนึ่งคนบูราณท่านสอนเอาไว้ว่าจิตคนนี้มันไวจิตนี่มีคนใครก่อขับได้ไว ดุบมีลานไข่ไหนตนเราท่านควรบังคับกลนให้จิตหมูนมาในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมูนไปในทางข้างขี้ทำที่มีก็จะหนีจากนายหายสูญท่านทำที่มีนั่นคืออะไรทำที่มีก็ควรมรู้สึกนั่นเองเราไม่รู้สึกก็หนีจากเราไปแล้วพระธรรมเข้าเข่ขงงาความละยันสมบูรณ ปอบีนปอกหลอกตนจิตใจมันหลอกเราแล้วก็เลยไปเห็นต่างๆคือเราไม่เห็นจิตใจนั่นเองอย่างนั้นจึงว่าอันว่านิมิตเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจแต่ก่อนนะต้องไปนั่งหลับตาเห็นอะไรต่างๆนั้นอันนั้นไม่ใช่สินิมิตนิมิตเราเครื่องหมายท่านสอนหนึ่งคือเครื่องหมายพอเรารู้สึกว่ากําลังคิกตาบ้างกําลังเคลื่อนไหวลูกรายนี้บ้างกําลังหายใจเข้าออกบ้าง จิตใจนึกคิดอะไรบ้างให้รู้เท่าทันอันนี้เดี๋ยวยเป็นมิตนิมิจฉจึงแปลเครื่องหมายแต่คนอื่นจะทำอย่างไรไม่ทราบอันนี้แหละรู้หลักพุทธศาสนาจึงเอามาใช้กับชีวิตตัวเองได้แต่ที่จริงแล้วท่านสอนใครต้สอนสิ่งที่มีแล้วคุณเคยโกรธบ้าง ไ, ไห ม, ไมในขณะคุณโกรธนั้นสบายใจไหมไม่สบายใจชอบไหมไม่ชอบ เยวนี้คุณโกรธไหมปัจจุบันนี้ไม่่ยแสดงว่าคงไม่โกรธนั้นมันมีอยู่หนคนทุกคนเลยแต่ความโกรธนั้นมันอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ก็เพราะเราไม่รู้ตัวคิดนี่เองสมมุทัยต้องละในขันสองเราก็เลยไม่ไม่ละตัวสมมุทยัยเพราะดีมันคิดวิพากษ์วิจารณ์นมัครดีใจสัมันว่ามันเป็นผมรู้เนี่ยมันสร้างาปกากบกซามปิดบังตัวเองไว้และคมรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้มัน เพราะเราไปสร้างตัวนั้นแลามาเข้าไปตัวนั้นอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆในยากคือให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสมบัติของคนและมันเป็นสมบัติของมนุษย์มันเป็นสมบัติของเทวดามันเป็นสมบัติของพระเจ้าความไม่รู้สึกตัวนั้นเนี่ยมันตรง้ามันเป็นสมบัติของอักธรรมมันเป็นสมบัติ ของผูทุทูมันเป็นสมบัติของสัตว์เดรัจฉานถ้าจริงว่าควมไม่รู้สึกตัวนี่แหละกาลังทำกำลังพูดหน้าละอายมันจริงจริงหน้าละอายมันจริงๆถ้าหากคนไหนรู้สึกตัวในขณะทาพูดคิดทันว่าเห็นนักบาดก็ได้เพราะว่าไม่หลงตัวการทำการพูดการคิดนั้นจริงว่าไม่เป็นบา พราะมองเห็นสภาพอะคำคำนี้มันไม่มีในเราคำคำนี้มันจะโอดขึ้นมาท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นยอดสูงแค่ไหนถ้าคนใดไม่มีโกอดจะสบายใจท่านเขเรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้เป็นพระก็ได้ผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้หญิงก็เป็นเทวดาได้ผู้ชายก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นเทวดาได้ถ้าสงฆ์องค์เด็กก็เป็นพระได้เป็นเทวดาได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่เป็นพระโดยสมมุติท่านจริงมีสมมุติบัญญัติมีปรมัดบัญญัติมีอัฐะบัญญัติมีอริยะบัญญัติอันนี้รู้ได้ไม่ต้องไปถามใครที่ไหนเลยถ้าเรารู้ของจริงแล้วนี่เรื่องรู้รู้อริยสัจสีอริยสัจสีนี่คือทุกข์เพราะการเคลื่อนไหวมันเป็นทุกข์ท่านให้มากำหนดการเคลื่อนไหวนี้ จิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาแล้วท่านให้กลับคืนมาอยู่กับกลมเคลื่อนไหวนี้แล้วจิตใจมันจะละมันเองเราลองกำมือมันไม่รู้ไหมแล้วมันคิดขึ้นมาเราก็มาจับตัวเราแรงๆมันขาหยุดมันขาเลิกความคิดตัวนั้นได้ถ้ามันคิดแรงๆมันเข้าไปในความคิดมันไม่หยุดแล้วก็เอามือมาเคาะหน้าเราปบมันเจ็บรู้สึกที่นี่ความคิดมันก็วางเลยมันก็มามาอยู่ที่ตัวเรานี่เอง เนี่ยสมุทัยต้องละไม่ใช่แต่คุมละอันนั้นบัดนี้เราอยากละบัดโอ้ยมันคิดไม่ชอบนอนไม่หลับอยากละเป็นสองทุกข์ขึ้นมาหนึ่งมันคิดเป็นทุกข์แล้วสองอยากละเป็นทุกข์แล้วเนี่ยยังวันเราเข้าใจไม่เหมือนกันสมุทัยต้องละมักต้องจเจริญมักก็คือรู้สึกตัวนี่เองทําบ่อยๆทําบ่อยๆความเคยเป็นความชำนานแล้วก็มีขึ้น นักตอนนี้นี่โลดกับพ้นไปถ้าคุณคิดมากๆคุณเราเอามือบอกก็โคกบ้านนี้กรลุดจากควมคิดอนันนันก็เป็ว่านี้โลดกับพ้นได้ทั่วขั้นละก็ได้หรือจะพนไปได้จากผูหนึ่งงานเดียก็ได้เนาะคุณไปทําอยู่ที่ไหนมันก็ได้เลยอย่า ง, งแต่ขอให้มีคนแนะนําให้มีผมรู้จริงๆเนี่ยนี่โลดกับพ้นไปมันจะพ้นไปที่ไหน ทนไปจากความเป็นปุถุชนปุถุชนเขาว่าพูดหนาแน่นด้วยอวิธารปุถุชนไปพูดหนาแน่นอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดที่ว่นนาคนมันไม่รู้จักทุกข์ในจิตแต่มันรู้แต่มันรู้อย่างไม่รู้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนแต่เฉพาะปัจจบันเท่านั้นเรื่องอดีตอ น, นาคตนั้นมันช้วยเราไม่ได้ท่าด น, นี่แในตัวทําสมาธิตัวสงบง่าย ว่าทำสมาธินั่นก็หมายถึงตั้งใจสงบก็หมายถึงมันไม่ปรุงแต่งคือมันไม่โกรธขึ้นมามันจะโกรธขึ้นมาเราเห็นหน้าละอายมันเองแต่ความจริงเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจเราอยู่เสมอแล้วก็โคมโกรธเขไม่เกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีโคมโกรธแล้วทำการทําั้นเขไม่ค่อยพ ผ, ผิดกิเลสพันหา 108, ้นหาพรรณาหนอยแปดพรรมันเกิดขึ้นที่ใจทำนั้น เราไม่เคยรู้ใจเราก่อนที่จะรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องของง่ายไปเลยนะจะ ม, มาเริ่มทํมากรนมาตั้งแต่อายุ11 ป, ปีจนถึงอายุ46ปียังรู้นั้นก็ดีแล้วนะแต่มันไม่ใช่แต่ น, นี้จึงว่าการทําสมาธินั้นจือไม่ต้องทำแต่ทํานี่เขาไม่ต้องทำแต่ทําหมายถึง ว่จะไปทํำที่ไหนก็เรารู้สึกตัวเรียไปทําอะไรอีกแล้วเพราะคนรู้สึกที่มันมีทุกคนอยู่แล้วเนี่ยมันมีทุกคนนะเจ้าคนไม่รู้กับมีเฉพาะผปุถุสท์ถ้าพูดอย่างนี้พวกเราจะเป็นเสียใจมันไม่ได้ผลเนีย่ยว่าเราทุกคนสามารถทำตัวของตัวได้ให้เป็นอริเบกชลแต่ทีแรกมันก็ต้องเป็นปุถุสท์เมื่อรู้แล้วก็กลายเป็นเทวดา กายเป็นอะไรแบุคนขึ้นไปเป็นอนะไรเนี่ยควมเป็นพระจึงว่าแต่ผู้ประเสริฐพระจึงหมายควมว่าผู้ประเสริฐคำว่าประเสริฐเนี่ยเราเข้าใจกันไหมชีวิตไม่ทุกข์แล้วกับประเสริฐแล้วถ้าชีวิตยังเป็นทุกข์อยู่กอประเสริฐไม่ได้เป็นอยะไรคุณมีควมรู้อยู่นี่ก็คงจะมีหลายคนนักปยยัญญาคงจะได้สิบหรือยี่สิบคนเนี่ยอาจจะมาเข้าใจในเรียนหนูซื้อหนู เรียนท่านไหนก็เป็นปริยาทงนั้นไ <c oughs> หมหลวพ่อไม่ได้เป็นปริยาเนี่ยมันเป็นย่างหพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นผู้ภาษาการนี่ก็ไม่เคยเป็นแต่ว่ามันเป็นสัมเนียมเพื่อมาฝึกหัดออกมาในเองดังนั้นควรมั่่รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสมบัติของปุถุชนฉะนั้นก็อย่างนี้ ความรู้สึกตัวนั้นมันเป็นสมบัติของพระาติบุคคลให้เขาอย่างนั้นคําว่าหลุดพ้นนี่กับหมายถึงหลุดพ้นไปจากผมไม่รู้นั่นแหละรู้แล้วบัตรทั้งหมดนี่มันมารวมที่ใจใจคําว่าใจใจเนี่ยพูดได้ทุกคนแต่ว่าไม่เคยรู้รู้รู้มันคิดไปก็ไปตามมันไปมันคิดอยากทาอะไรก็ไปตามมันไปนี่มันไม่รู้ แต่รู้มันไม่เห็นมันไม่เข้าใจหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังทําเหมือนแมวกับหนูลองทำพอดีมันคิดออกมาก็เห็นเห็นแล้ววันนี้เราไปห้ามคมคิดมันห้ามไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเข้าไปในผมคิดเลยเพราะแมวมันตัวเล็กหนูมันตัวโตไปเพราะเราไม่เคยรู้มันมันห้ามใจไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่อย่าไปห้ามมันแต่ฝึกข่มรู้สึกให้มากขึ้น พอดีหนูไปแมวก็ติดไปเลยแมวมันไม่เคยกลัวหนูไม่เคยกลัวเลยพราอย่างนี้เข้าใจไหมหนูน <c oughs> ะพอที่จะเข้าใจบ้างนะเพราะมันกลมเปรียบเทียบ <c oughs> แมวมันตัวเล็กกรหมายถึงผมรู้เรื่อสติเรื่องกลมรู้สึกตัวที่มันน้อยมันก็นเลยเข้าเป็นผมคิดท่านผมคิดก็ลากเราไป วันนี้มันเหนื่อยเด้มกับเสารคนเดียวมันคงคิดแตะเสาร์คนเดียวมันมากับรู้ตัวเองอีกวัด น, นี้ยพยายามทําคนรู้สึ่งให้มากอย่าไปโทษแมวทําไมจับหนูไม่อยู่อย่าไปคิดมันเราก็พยายามทําให้มันรู้มากไปไหนมาไหนให้มันรู้สึกตัวมากๆแต่อย่าไปให้รู้ผมคิดทีแรกถ้าเป็นรู้ผมคิดเข้าไปในผมคิดเราต้องมารู้อยู่กับรู้ภายในต้องถูกต้องกําหนดรู้กําหนดตัวนี้ตัวนี้มันเป็นวัตถุ มันจับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาพอได้มนคิดปุ๊บมันไม่อยู่แล้วมันเป็ทุกข์อมือสักโป๊ะเซนักพาร์มแต่มันเจ็บพอได้มันเจ็บมันคุคิดมันหยุดทันทีมันก็เข้ามาเอาตัวนี้เลยพอดีเข้ามาตัวนี้มันก็เลยวางคุมคิดตัวทำบ่อยๆมันก็เลยรู้สมุทรฐานของคุมคิดบัดนี้มันก็เลยรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวรู้ที่มีกําลังแรงมากขึ้นมากขึ้นบัดนี้สมมุติคนนักมวย นักมวยเนี่ยพูดต่อสู้ขึ้นมาเราไม่ต้องไหว้ครูแล้วแบบนี้นักมวยไม่เก่งต้องไหว้คูคำคันไหว้ครูนี่พอที่จะรู้ไหมคนใดเป็นนักมวยไม่เก่งต้องไหว้คูคนใดเป็นนักมวยเก่งเนี่ขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้คูหอยจ้องจะซกใส่ลุมตาเป็นสองเทียคนที่ไหว้คูนั่นหมายถึงโอ้ตานาพูดว่าอย่าลืมตัวไปอีกแล้วไปอยู่กับาำสาคนเลย นึกถึงตำน า, าตำนามันช่วยเราได้อย่างไรช่วยได้บางอย่างแต่ให้เรารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยบัด น, นี้พอดีมันคิดปุ๊บซุกลุมตาทีเดียวแล้วก็โลมโลวงพู่ต่อสู้ก็ดสู้เราม่ไดก็แปลว่านี่โลดคนไปแล้วนี่มันจะยากทุกง่างง่ายดังนั้นที่ว่าไปไหนมาไหนต้องทำผมรู้สึกนี่แหละใช่มาก หรือว่าจเจริญสติก็ว่าไดา้แต่ว่าเราพูดได้ในวสติแต่ว่าเอาความรู้สึกดีกว่าเพราะหลวงพ่อชอบพูดความรู้สึกเพราะความรู้สึกเนี่ยใครก็รู้ทีเดียวจริงแต่ทุกเจ็บแค้่เจ็บขาไม่ต้องอกมาพูดมนาะเรื่องนั้นอันนี้เป็นวิธีที่จะปฏิบัติให้มันออกจากความคิดนั้นได้อันนี้เป็นเบื้องต้นนะที่หลวงพ่อพูดต้นที่สุดก็คือรู้จัก รูปนามก่อนให้รูกจักจริงๆรูปนามนี้อย่าไปติดตารารูปได้แค่การเคลื่อนไหวนี่เองนามคือมันรู้สึกอยู่กับรูปนี้เองให้รูกจริงๆเลยหลวงพ่อเคยรู้มารูกสิ่งที่มองเห็นด้วยตานามคือคุณค่าของที่มัน น, นี้หลวงพ่เรียนเป็นเมตรเแต่เมื่อมาปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใด้อย่าง ลูกกับนามมันติดกันอยู่ในเครื่อนไหวมันเป็นลูกนาำมันก็ต้องลูกไปด้วยเนี่ยอย่างูปนะลูกทําน้ำทําลูปอันนี้เองไปทําทําดีก็ลูกอันนี้เองทําชั่วกับรูกอันนี้เองเหมืนลูกทํานะพอดีรูกอันนี้ทําใจมันก็ทําไปด้วยเนี่ยเหมือนทําดีเขาเรียกว่ากุศลทําชั่วดีเรียกว่ากุศลเราทําชั่วบันเนี้เราก็ไม่มีความละอายเลยเมื่อทําชั่วอยู่แล้วความดีมันก็หนีที่บันเนี่ย ่ว่าทำเข้าเข้าเราควรละยําสมบูรณ์กว่าปี้นปอกหลอกเราเราก็นึกว่ามันถูกต้องอันนั้นแต่ควมจริงมันถูกแบบคิดของเองในป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จริงๆสภาพความปรากฏการขึ้นมามันลึกขึ้นมาอดมันคิดแล้วเห็นรู้เข้าใจความคิดมันเลยหยุดไปอันนี้เป็นภาคที่สองเมื่อมันหยุดไปเราก็ทําบ่อยๆ อันนี้แหละแปลว่าได้ต้นทางแล้วหมดเหมือนกับคนแก่คนแกนี่ะเอาลูกใดสุกเข้าในรูมันเนี่ยแต่มันลูกมันเล็กนะแต่มันไม่ใช่ตัวของมันกระแจมันไม่เปิดวันนี้เอารูปมันจริงๆสุกเข้าไปในตัวมันมันได้บิดเบาๆมันก็ไขมันเองอันนี้มันจะไปถึงที่สุดของทุกจริงๆที่สุขของทุกนั้นอยู่ที่ตรงไหนจิตใจของคนนี่มันจะเปลี่ยนไปตามน้ขั้นแรกนะขั้นแรก รู้รูปนามจะไม่กลัวผีเทวดาไม่กลัวเลยเราเพราะเรารู้แล้วเรามีตาทิพย์แล้วเราเห็นแล้วผีเทวดาเราเห็นเนี้ยขั้นที่สองเราเห็นจิตใจนึกคิดสมมติฐานของคลมคิดโอ้โคมโผล่วัาโผสะคมหลงดรียกว่โมหะโคมโลบเรียว่าโลภโอ้มันเกิดมาจากที่นี่เราก็เลยเห็นที่นี้โคมโผล่เกิดขึ้นมาได้ อันนี้เรียกว่าเมื่อเรากําลังทําดีอยู่แล้วความชั่วมันหายไปทันทีความชั่วคือไม่รู้ที่ตรงนี้เขาใจอย่างง่ายอย่า เ, เมื่อเราทําความชั่วอยู่แล้วความดีมันหนีไปทําความชั่วยังไงเพราะเราทําเราไม่รู้จักใจเรานี่ความดีมันก็ห น, นีที่บปไหพราะเราสร้างความดีขึ้นเนี่ยความชั่วก็หายไปยมันตรงกันข้ามเราก็รู้สึกไม่คืบขึ้นอาะโอ้นี่มันมีอะไร ที่หลวงพอพูดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทำได้ทุกคนทุกสถานที่ไม่กำหนดเลยแต่ขอให้รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงแล้วมันจะพลาดผิดไปพอดีละความโลภโกรธหลงขึ้นมามันคิดบางสิ่งบางอย่างนั้นมันจะคิดไปถึงอันนั้นมันไปยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปท า, า น, นอุปท า, านนี่เขาว่ามีอย่างหนีเขาว่ากิเลสโยกิเลสทันท่าตัณหา1้อยเป็นเกิดขึ้นที่ใจ กีเรตไปว่ายามเหนียวสมมุติเอาอยางไม้ก็ได้สมมุติเอาอยางที่มันสกปรกนี่ก็ได้เอาผ้าขาวเหล่านี้ไปไปถูกกระน้ําสีพอเดิน้ําสีมันจะติดผ้าขาวทันทีเลยพอเดินมาติดแล้วเราไปซักผ้าขาวมะกรานาออกใช้เวลานานานั่ยังออกหมดได้นะแต่ว่าบางทีไม่ออกหมดก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องทำบ่อยๆ ทำบ่อยๆนานๆมาความเคยติดแก็ค้องแพร่ว่องไวเหมือนกับตัวแมวจับหนูปุ๊บหนูตายทีเลย ม, มันซอกเขาเลยเพราะหมูมันไม่เคยให้แมวจับแมวมันจับอย่างเรีนดิเลยแมวกินหนูก็เลยไม่มีเลือดเนี่ยมันมีอย่างนี้เลือดมันแค้นเขาเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอดิมันคิดปุ๊บเราเห็นมันมันก็เลยหยุดไปกันไปเนาะปทานก็เลยไม่มีนันเป็น เมื่ออุปทานไม่มีแล้วมันคิดมันก็เป็นปกติเรื่องของคิดคมคิดจึงไม่ต้องหักเราต้องรูดหยักเลือกเฟ้นเอ า, อาตัวเองถ้าหากแก้ไม่ถูกจุดแล้วเหมือนกับเราที่คันบัลลังก์เร็วขันอนะไมว่าอย่างันะไม่ว่าอย่างนั้นที่มันคันแล้วเกาขันขันถ้าคันที่ขาแต่เกาหลังมันก็ไม่มีแรงวันนี้ถ้าเราคันหลังมาเกาที่ขามันก็ไม่มีแรง มันคันที่ตรงไหนต้องไปเกาที่ตรงนั้นดังนั้นความผิดที่ตรงไหนต้องแก้ที่ตรงนั้นเราจะไปแก้ที่อื่นมันไม่ได้จิงวะก่ อ, อนที่จะทําจะพูดจะคิดต้องลู่จักถ้าไม่ลู่จักแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้จิงะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความเด็ดขาดความกล้าหารถ้าไม่ความ